บทที่14คุยกับออสการ์ไวท์โรสเป็นคนที่มีความสุขแต่ชีวิตแสนสำราญของเด็กขายดอกไม้อาจเป็นเรื่องน่าเบื่อสำหรับนักแสดงนักเขียนหรือนักการเมืองในฐานะโคศกแห่งสวรรค์เธอมีขีดจำกัดของตัวเองการนั่งมองเฝ้ารอชีวิตนิรันดร์ของเธอไม่มีเหตุการณ์ใดมากเกินไปกว่าการจิบชาไม่รู้แล้วอยู่นั่นเอง ไม่ก็คุยจุกจิกกับเพื่อนบ้านออกไปเที่ยวบ้างเป็นบางครั้งและไปดูภาพยนตร์มีหลายเสียงแนะว่ามีแต่วิญญาณของผู้ที่มีการศึกษาถึงจะให้รายละเอียดได้อย่างดีนี่คือความอยากรู้อยากเห็นแม้จะมีหลายเสียงหลายจิตอ้างว่าเป็นคนดังมีพรสวรรค์ประสบความสำเร็จและบางคนก็มีชื่อตราไว้ในแผ่นดินดูเหมือนพวกเขานี้จะยึดติดงานของเขา จัญญาบรรของเขารวมถึงปัญหาของโลกที่มากเกินไปจนไม่อาจบรรยายได้ชัดเจนว่าพวกเขาใช้เวลาในโลกหน้ากันไปได้อย่างไรวันที่9กุมภาพันธ์ปี1957ความเงียบถูกทำลายลงด้วยน้ำเสียงอเมริกันอันคุ้นหูผมไม่เคยคิดเลยว่าจะได้คุยกับคุณอย่างออกรถอย่าวที่แล้วเสียงนั้นกล่าวค่ะเบ็ตตี้กรีนตอบ คุณคือไลโอเนลบาริมอร์ใช่ไหมคะใช่เขาบอกคุณรู้ได้ยังไงนะ่ะสองปีก่อนเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี1954ไลโอเนลบาริมอร์นักสปัตยยาแห่งโลกภาพยนตร์กำลังชมโทรทัศน์อยู่ที่บ้านเขาที่ฮอลลีวูดแล้วเขาก็ทรุดลงด้วยอาการหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันชายหนุ่มถูกนำส่งโรงพยาบาลเข้าขั้นโคม่าและเสียชีวิต ดาราภาพยนตร์ชื่อดังแห่งศตวรรษที่30และคิวเกสบี้ต้นฉบับสามารถบรรยายได้ด้วยถ้อยวลีของเชกสเปียร์ที่ลดจนาไว้ในเม็กเบดชีวิตคือการเดินไปในเงามืดตัวละครที่น่าสงสารทำท่าหน้าอึดอัดบนเวทีนับชั่วโมงและจากนั้นก็ไร้เสียงของเขาอีกต่อไปตอนนี้เบ็ตตี้กรีนเชื่อว่าเธอกำลังได้ยินเสียงบริมร อ, อีกครั้ง บูดสมทบด้วยคําถามปกติตอนคุณเสียชีวิตคุณพบสิ่งต่างๆได้อย่างไรคุณพบโลกที่คล้ายกับโลกนี้ใช่ไหมผมจะไม่บอกนะว่ามันคล้ายกันบาริมอตอบมันไม่เหมือนกับธรรมชาติแต่ผมไม่เห็นรถหรือถนนหรือยวดยานใดๆอะไรทํานองนั้นแต่นั่นก็อีกผมเข้าใจในบรรยากาศที่ต่ํากว่าบรรยากาศที่ใกล้ผืนโลกสิ่งเหล่านี้ยังมีอยู่ ทุกอย่างคือแก่นสารของสภาวะจิตใจของผู้คนที่ไม่ชินกับสถานที่เหล่านี้ตอนแรกที่ผมมาที่นี่ผมจำได้ว่าตัวเองเดินมาผมบรรยายได้ว่านี่เป็นสวนสวยไม่เหมือนสวนที่ผมเคยเห็นในวัยเด็กพ่อแม่ผมอยู่ที่นั่นตอนผมลืมตามีแม่ของผมหน้าตาเหมือนตอนที่ท่านยังเป็นสาวนั่นเป็นประสบการณ์ที่แสนวิเศษ แล้วพวเพื่อนผมก็มาเข้ามาทักทายในประสบการณ์นั้นดูเหมือนผมกำลังพบปะผู้คนที่ผมเคยรู้จักตอนเป็นหนุ่มอย่างที่คุณรู้เพราะผมแก่ตัวขาก็ไม่ค่อยดีบ่อยครั้งที่ผมฝันกลางวันเห็นวัยหนุ่มของตัวเองผมเดาวอาว่าตอนที่ตายความคิดสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องบนโลกนี้ผมคงอยากหวนกลับไปไวัยหนุ่มของตัวเองที่นี่ ผมมีสุนัขตัวที่รักถ้าเคยมีใครบนโลกบอกว่าสัตว์จะอยู่ได้แค่หนึ่งช่วงชีวิตพอมันตายไปแล้วก็จะหายไปผมไม่เชื่อผมไม่เคยเชื่อเลยว่าหมาแมวและม้าจะมีวิญญาณตอนนี้ผมตระหนักแล้วว่าเรามีความรับผิดชอบอย่างยิ่งต่ออาณาจักรของสัตว์และพวกมันต้องพึ่งพาเรามากกว่าที่คิดผมไม่รู้ว่าคุณกำลังได้ยินผมหรือเปล่าได้ยินมูดตอบ คุณพูดได้ชัดมากเรามีเทปอัดเสียงเรื่องราวต่างๆอยู่ดีๆคุณมีการบันทึกแน่นอนคุณรู้ว่าผมมีพี่ชายจอนกับผมเข้ากันได้ไม่ค่อยดีนะักตอนอยู่บนโลกแต่ที่นี่เราเข้ากันได้ดีพบนี้คุณใช้ชีวิตยังไงบูรถามคุณทำอะไรอ๋อเขาตอบผมยังสนใจละครการแสดงรู้ไหมเรามีสถานเลิงรมอย่างที่คุณเรียกมัน แต่มันจะไม่เหมือนนักทุกอย่างที่เราทำจะเกิดจากแรงขับมีเป้าหมายทุกบทละครที่ถูกสร้างเพื่อให้ดําเนินขึ้นนั้นมีเป้าประสงค์ที่แท้จริงไม่ใช่แค่ให้ความบันเทิงเริงรมเรามีบทแสดงที่อาจเรียกได้ว่าเป็นการแสดงเพื่อจริยธรรมสำหรับบรรยากาศที่ต่ำกว่าเราสร้างเรื่องราวจากชีวิตที่มองเห็นได้ในปฏิกบุคคล มันช่วยให้เราเห็นตัวเองจากความเป็นจริงผลที่ตามมาคือพวกเขาเริ่มใช้ความคิดคิดลึกขึ้นมากขึ้นและนั่นจะช่วยให้เขาพัฒนาตัวเองและปรารถนาในสิ่งที่ดีขึ้นผมพบโฟลสติกฟิลกับคนอื่นๆที่ยังผลิตสิ่งที่คุณเรียกว่าหรูหราฟุ้งเฟ้อแบบการแสดงที่โฟลีสเปาแชที่นี่เราปฏิบตัติต่อธรรมชาติด้วยเหตุผลอย่างเหมาะสมที่นี่ เราคำนึงถึงพรสวรรค์ที่ได้รับมอบให้แก่เราคนทุกประเภทที่นี่พบว่างานทุกอย่างน่าสนใจอย่างเช่นการสร้างสรรค์เสื้อผ้าที่สวยงามคนอื่นๆที่ออกแบบภาพยนตร์สวยๆหรือบางทีก็จัดฉากให้ละครของเรามีคนที่เรียบเรียงดนตรีได้อย่างไพเราะผมได้ฟังเพลงที่นี่เพลงซึ่งนํามาจากสิ่งที่คุณจะได้ยินบนโลก ออเคสตราหมายเลขต่างๆและงานของศิลปินที่นี่มีผู้เรียบเรียงเสียงประสานชื่อดังมีงานชิ้นใหม่เลอเลิศที่ผมไม่สามารถบอกคุณได้ขณะที่พวกเขาบรรเลงคุณจะได้เห็นบรรยากาศการเปลี่ยนแปลงของแสงสีมันเป็นงานที่จัดการตามากโอ้ผมเล่าต่อได้เลยนะถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้มันน่าสนใจมากบูดเอ่ยอย่างกระตือรือร้นมีโรงละครหรือ อะไรแบบอย่างนั้นเหรอครับมันเป็นยังไงเหมือนกับบนโลกหรือเปล่าใช่ใช่บางแห่งเหมือนโรงละคร บ, บนโลกมากและบางแห่งก็ล้ำหน้าไปไกลเรามีโลกละครอย่างที่คุณเห็นบนโลกมีเพดานงดงามปูพรมบริเวณสำหรับผู้ชมก็สวยเรายังมีโรงละครกลางแจ้งที่คุณคงบอกว่ามันอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่นี่มีบทละครทุกประเภทบทละครเด่นดังจากอดีต มีศิลปินชายหญิงสร้างสรรค์า ง, งานเขียนการผลิตและการแสดงทุกบทละครของเชคสเปียร์ได้สร้างขึ้นที่นี่และยังมีสิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นบทละครใหม่ๆละครที่ยิ่งใหญ่กว่ายิ่งใหญ่กว่าที่คุณรู้จักบนโลกและเขายังเขียนผลิตและแสดงด้วยมีดาราดังทั้งหลายมาร่วมกันแสดงที่นี่พวกเขายังเขียนบทละครในสไตล์เดิมอย่างที่พวกเราเห็นหรือเปล่าบูตซ์ ไม่ขณะที่คนเราได้รับประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นในสภาพชีวิตใหม่สไตล์ของเขาจะเปลี่ยนไปโดยธรรมชาติถ้าเช็กสเปียร์ยังมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้เขาก็คงเข้ากับบทละครอย่างที่เห็นในพบนี้ออกมาแต่ก็นั่นแหละมันจะออกมาในรูปแบบใหม่เขาเขียนได้ยิ่งใหญ่กว่านักเขียนสมัยใหม่คนใดบางครั้งเวลาผมกลับมาสู่โลกผมไปลงละครที่พวกคุณดูการแสดง ตอนที่คุณชมเรื่องราวเหล่านั้นมันมีทั้งข้อจำกัดมันแย่เลยแหละคุณพบเชคสเปียร์บ้างไหมบูรถามผมพบเชคสเปียร์ใช่และผมก็สามารถยุติข้อตัวแย้งที่ค้างคาในใจได้เขาเขียนบทละครของเขาบางครั้งเขาไม่ได้ใช้บทละครเก่าๆแล้วนามาแต่งใหม่แต่คุณจะรับรู้ได้เหมือนผมว่าเมื่อเป็นบทละครของเชคสเปียร์มันยอดเป็นของเชคสเปียร์ คุณพบนักร้องดังในพบนั้นบ้างไหมอ๋อพบสิผมพบนักร้องดังคนหนึ่งที่นี่แคทรีนฟารอนสุภาพสตรีสาวชาวอังกฤษที่เสียชีวิตไปเมื่อหลายปีก่อนใช่ผมพบเธอเธอเป็นวิญญาณที่บันเจิดมีเสียงที่แสนวิเศษมีสเสน่ห์ในตัวของเธอเครื่องหนึ่งไม่ใช่เสียงแต่เป็นบุ ค, คลิกท้าทางส่วนตัวของเธอมันแฝงออกมาในน้ำเสียงผมได้ฟังศิลปินมากมายบนโลก เสียงของพวกเขาแตกต่างกันเสียงที่วิเศษหรือถ้าคุณสามารถสื่อสารกันโดยใช้ความคิดไม่ต้องใช้คำพูดคุณจะยังร้องเพลงบนสวรรค์หรือเราควรต้องรอให้บาริมอหยุดจากนั้นเขาก็กล่าวว่าเสียใจที่ต้องจบลงแบบนั้นผมพยายามจะคุยกับคุณให้ น, น, นานผมจะมาคุยกับคุณอีกคราวหน้าเหตุผลที่ผมมาที่นี่ไม่ได้บ่อยๆก็เพราะผมต้องคอยดูแลคนพวกนี้ ในตอนเริ่มต้นแต่คนพวกนี้บางคนก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปและต่อไปจนเหมือนพวกเขาไม่เคยพอใจเลยเราต้องการบางอย่างในการบันทึกนี้บูดเน้นที่เราสามารถให้ความรู้แก่ผู้คนได้ดีบริมอกล่าวคุณสามารถให้คนที่สนใจและเพื่อนๆของคุณรับรู้ถึงบันทึกเหล่านี้ได้และผมขอพูดอย่างจริงใจว่าถ้าพวกเขาเชื่อนะ ว่าเขาจะได้พบสิ่งต่างๆเหล่านี้สุดท้ายผมจะได้อยู่กับคุณลาก่อนนะโลกใหม่ของบาริมอร์น่าจะให้ความเข้าใจมากกว่าโลกของโรสและน่าตื่นเต้นกว่าทว่าพวกเขาก็มีพื้นฐานที่คล้ายคลึงกันทุกอย่างรอบตัวค่อนข้างเหมือนกันเมื่อพวกเขายังมีชีวิตอยู่บนโลกแต่จะเปลี่ยนไปเพียงสิ่งซึ่งพวกเขาจะได้เรียนรู้หลังจากเสียชีวิตไปแล้ว คนในโลกใหม่กลุ่มที่พัฒนาแล้วดูเหมือนพวกเขาจะใช้เวลานานในการเปลี่ยนแปลงการยืนยันเรื่องนี้ได้มีขึ้นอย่างไม่ได้คาดหวังและน่าตกใจเสียงนั้นปรากฏเมื่อห้าปีครึ่งให้หลังในวันที่20สิงหาคมปี1962เสียงผู้ชายเริ่มพูดเป็นเสียงของคนที่มีการศึกษา เป็นพวกชนชั้นสูงหรืออาจจะเป็นศิลปินผู้มั่งคั่งผมดีใจที่ได้มาที่นี่เขาเริ่มผมดีใจมากเช่นกันบูดตอบผมไม่แน่ใจว่าคุณได้ยินผมถนัดหรือเปล่าเสียงนั้นกล่าวต่อได้ยินเลยค่ะเบ็ตตี้กรีลี่พูดคุณทำได้ดีมากเพราะว่าเสียงนั้นมีล่องลอยหยันเยาะลึกๆผมไม่ได้ทำอะไรที่ดูมีค่านักในระหว่างนี้ ผมก็ไม่รู้ว่าคุณมาบอกว่าผมทำได้ดีมากได้ยังไงเราคิดว่าเบตตี้กรีนอธิบายคุณกำลังพูดอะไรบางอย่างและคุณคิดว่าเราไม่ได้ยินเสียงคุณผมไม่เคยรับรู้ในการพูดได้โปรดเธอคะค่ะเราอยากทราบชื่อคุณแล้วถ้าผมไม่สามารถพูดอะไรที่มีคุณค่านักเสียงนั้นพูดต่อผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรใครกำลังพูดอยู่คะ เบตตี้กรีนไม่ใยดีกับท่าทีของอีกฝ่ายนี่คือสิ่งที่พิเศษที่สุดอีกครั้งการตายคือกิจพิเศษโดยเฉพาะคุณได้คุยกับชีวิตจากอีกโลกหนึ่งอะไรจะเป็นกิจพิเศษได้ขนาดนั้นมีคำตอบว่าใช่อย่างงงงมาจากปากวูดดูเหมือนจะมีสิ่งน่าสนใจอย่างยิ่งในงานของผมเมื่อไม่นานมานี้เสียงนั้นหยุดไปอีกครู่หนึ่งเพื่อนรัก เวตติกกลีนพยายามอีกครั้งเราจะทราบชื่อคุณได้ไหมคะตอนผมอยู่บนโลกชื่อผมนำมาซึ่งปัญหาเวลาที่เราเปิดเทปของคุณให้คนอื่นฟังบูดอธิบายพวกเขาก็จะถามว่าคุณคือใครบอกเขาก็ได้ว่าผมคือผู้การโบกี้ผมไม่คิดว่านั่นจะช่วยอะไรได้บูดกล่าวอย่างไรเสียเรายินดียิ่งที่จะได้ทราบชื่อของคุณ ผมมั่นใจว่าตัวเองมีความสุขที่ได้มาแต่ผมคิดว่ามันยากกว่าต้องใช้ความพยายามมากกว่าในการส่งความคิดของผมไปสู่คุณผ่านกรรมวิธีการสื่อสารที่พิเศษแบบนี้มันเหมือนกับที่บนโลกใช้นักแสดงคนหนึ่งสื่อความหมายต่างๆอาเบ็ตตี้กรีนอุทานคุณเขียนบทละครคุณคงรู้จักผมดีผมเป็นคนนามสกุลไวายโอ บูอุทานขึ้นบ้างผมได้อ่านหนังสือของคุณคุณช่างโชคดีนักผมว่างานของผมคงเป็นอะไรที่ธรรมดาธรรมดาไม่ใช่เรื่องราชวงศ์ไม่ต้องสงสัยเลยคุณจะต้องเป็นหน่อนหนังสือแน่ๆถึงเวลาให้เบตตี้กรีนงัดคำถามที่เตรียมไว้ออกมาคุณไวคะเธอเอ่ยเสียงหนักเล่าให้เราฟังถึงบางส่วนของชีวิตคุณในอีกพบหนึ่งได้ไหมคุณกาลังทาอะไรผมต้องยอมรับเขาตอบ ว่าค่อนข้างโล่งอกที่คุณขอให้ผมพูดถึงชีวิตของคนที่นี่ด้วยคําพูดของคนที่มีชีวิตบนโลกเพราะในบางกรณีชีวิตของผมบนโลกย่อมเป็นเรื่องที่หลายคนรู้จักกันดีโดยเฉพาะในบรรดาผู้ที่ชอบซุบซิบนินทาถ้าผมจะบอกคุณว่าชีวิตของผมที่นี่ก็ไม่ได้ต่างจากชีวิตตอนอยู่บนโลกคุณก็คงจะไม่เชื่อแต่มันก็เกิดขึ้นจริงๆและผมไม่เสียใจเลยไม่ว่ามันจะเป็นอย่างไรก็ตาม ผมมีความสุขสําราญใจสมบูรณ์แบบบนโลกผมใช้ชีวิตที่หลายคนบอกว่าเต็มไปด้วยบาปแต่ก็แค่ความเห็นของโลกที่นี่มันก็ไม่ได้เป็นบาปอีกต่อไปในการเป็นมนุษย์และได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติบนโลกการอยู่ฉันธรรมชาติเป็นบาปที่นี่คุณทําบาปได้เพราะมันเป็นธรรมชาติโลกมีความคิดที่แปลกในเรื่องของบาป ผมมีชีวิตยอย่างธรรมชาติที่นี่และผมมีความสุขคุณกำลังทำอะไรครับบูทถามย้ำทำไมผมต้องบอกคุณด้วยล่ะว่าผมทำอะไรเพราะเราสนใจนะ่ะสิคะเบ็ตตี้กรีนตอบกลับไปจริงๆแล้วผมยังเขียนหนังสืออยู่และผมก็ยังมีบทละครที่ถูกนำไปแสดงบ่อยครั้งผมจะถูกเรียกตัวลงไปชั้นที่ต่ำกว่าเพื่อให้การช่วยเหลือน่าแปลก ที่กลับเป็นผมที่ถูกเรียกตัวลงไปยังชั้นที่ต่ำกว่าเพื่อให้ความช่วยเหลือผมไม่แปลกใจหรอกบูดว่าเป็นไปได้ที่คุณอาจตีความว่าบางทีผมคงเหมาะในการช่วยเหลือคนในชั้นที่ต่ำกว่าเพราะผมเองก็ไม่ได้ก้าวหน้าอะไรตามปกติผมก็พูดรู้เรื่องกับคนทุกประเภทอยู่แล้วใจของผมเปิดทางให้กับการพูดคุยกับคนทุกชั้นแม้ชื่อเสียงของผมจะไม่ ชื่อเสียงของผมไม่ได้ทำให้ผมกังวลแต่ดูเหมือนมันทำให้คนในพบของคุณกังวลมากๆมีคนหาเงินได้มากมายจากชื่อเสียงของผมตั้งแต่ผมตายไปมากกว่าที่ผมหาได้เองจากบทละครของผมด้วยซ้ำซึ่งก็จะบอกได้ว่าบาปนั้นคือความสำเร็จคุณเป็นคนใจเปิดกว้างเสมอไม่ใช่เหรอคะเบ็ตตี้กรีนถามผมพร้อมได้รับแรงบันดาลใจเสมอ ที่จริงจะพูดได้ว่างานที่ประสบความสาเร็จที่สุดของผมนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ว่าผมมีจิตใจที่เปิดกว้างและนั่นทำให้แรงบันดาลใจไหลหลั่งเข้ามาซึ่งก็ประสบความสาเร็จอย่างสูงผมเชื่อมั่นว่าถ้าไม่ใช่ปัจจัยที่คนเรามีจิตใจอันสูงส่งเราก็คงไม่มีผลงานที่ประสบความสาเร็จแน่นอนทั้งหมดนี้คือสาระสาคัญของความขัดแย้งท่ามกลางคู้คนจานวนมาก เนื้อหนูเน่าในสายตาของบางคนอาจเป็นเนื้อที่อีกคนกินได้ไม่หรอกคะ่ะเบ็ตตี้กรีนคาน์ฉันคิดว่านักเขียนทุกคนได้รับแรงบันดาลใจมาจากบางที่อย่างแน่นอนได้โปรดอย่าดึงเอาบุคลิกส่วนตัวและแบบฉบับดั้งเดิมของเราแต่ละคนออกไปเลยได้โปรดผมได้รับแรงบันดาลใจในการทํางานผมคือร่างแห่งแรงบันดาลใจและตอนนี้ผมกลายเป็นคนกลัวแรงบันดาลใจ ซึ่งก็เป็นไปได้เพราะว่าผมตายไปแล้วคุณวายคะเบ็ตตี้กรีนขัดคุณอยากให้ผมหยุดพร่ำและพูดจริงจังสักทีเหรอจริงจังเกินไปบางครั้งก็น่าเบื่อไม่ครับไม่บูดรีบแก้อย่าหยุดเลยมีคนมากมายตอนอยู่บนโลกที่คิดเป็นจริงเป็นจังว่าพวกเขาแพ้ไม่ได้น่าเบื่อจะตายผมปฏิเสธที่จะร่วมงานกับคนพวกนี้ แต่ผมทำสิ่งนี้กับคุณเพราะผมรู้ว่าพวกคุณกำลังต่อสู้ดิ้นรนจนแทบหมดแรงเพื่อให้ได้อะไรสักอย่างเพื่อผมจะทำให้คุณเชื่อและถ้าผมทำให้คุณเชื่อได้ผมก็สามารถทำงานดีๆอื่นๆได้แต่นั่นคงช่วยลดมนทินในใจของผมลงคุณวายคะเบ็ตตี้กรีนถามตั้งแต่คุณไปอยู่บนโลกอื่นคุณเรียนรู้อะไรบ้างไหม ผมเป็นคนประหลาดผมไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยหลังจากมาอยู่ที่นี่ตั้งนานเราทุกคนได้เรียนรู้ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ไม่ว่าจะอยากเป็นนักเรียนหรือไม่เราก็ต้องเรียนไม่สำคัญว่าครูจะแย่แค่ไหนแปลกใจไหมคะที่เจอตัวเองไปอยู่อีกพบหนึ่งไม่มีอะไรทำให้ผมแปลกใจได้หรอกแน่นอนไม่มีอะไรสักอย่างอย่างการอ้างถึงพระเจ้า เพราะพระองค์มักทาสิ่งต่างๆให้ผู้คนแปลกใจอยู่เสมอถ้าเราต้องเชื่อทุกอย่างที่อ่านเจอในไบเบิลค่ะแต่คุณรู้สึกตัวได้ยังไงคะตอนที่ตายคุณบรรยายกระบวนการตอนนั้นได้ไหมคะโถเอ้ยผมก็ตายเหมือนคนอื่นๆนั่นแหละค่ะแต่คุณต้องเจอว่าตัวเองไปอยู่ที่ไหนสักที่ในสวนหรือในห้องหรือแล้วทำไมผมจะต้องไปเจอตัวเองในสวนด้วยละ่ะ หรือทำไมผมควรไปอยู่ในห้องน่าอายจริงๆที่จะตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองอยู่ในห้องส่วนตัวของเลดี้ซินเทียตอนช่วงเวลาอันน่าอึดอัดใจเบ็ตตี้กรีนยังลุกต่อไม่ค่ะแต่ฉันหมายถึงผู้คนที่มาพบคุณไม่ใช่เหรอคะต้องมีใครสักคนมาพบคุณเจอคุณและช่วยเหลือคุณที่จริงผมเจอแม่ผมแล้วคุณพบสิ่งต่างๆที่นั่นได้ยังไง บูดซักบ้างแม้ตามปกติคุณก็ไม่อาจไปยังประเทศแกลกๆโดยไม่คิดว่าที่นั่นมันจะแตกต่างจากที่นี่หรอกนะแต่สิ่งที่พิเศษสุดก็คือผู้คนเหมือนเดิมสถานการณ์อาจจะแตกต่างไปประเทศอาจแตกต่างได้พฤติกรรมก็อาจแตกต่างทัศนคติของคนที่มีชีวิตและทุกสิ่งทุกอย่างรอบกายอาจแตกต่างแว่าทุกคนยังหน้าตาเหมือนเดิมเป็นปกติ ขอบคุณพระเจ้าในเรื่องนี้พวกเขาดูเป็นคนปกติเหมือนเดิมและผลที่ตามมาก็คือความรู้สึกที่เหมือนกับอยู่บ้านผมเจอคนมากมายที่ผมชื่นชมและคนอีก ม, มากมายที่ชื่นชมผมได้เรียนรู้ที่จะชื่นชมด้วยเหตุผลต่างๆและผมมีงานหลักคือการเดินทางเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆมากมายในความรู้สึกของผมมันเหมือนกับ ไปในหลายประเทศไปได้อย่างสบายอุปสรรคประการเดียวที่มีก็คือตัวตนของตัวเองภายในจิตใจมันเป็นอุปสรรคระหว่างมนุษยสัมพันธ์กับผู้คนมันเกิดขึ้นจากภายในจิตใจมนุษย์คนเราจะได้เรียนรู้ที่จะละทิ้งสิ่งเหล่านี้เมื่อใครสักคนมาอยู่ที่นี่ในระยะเวลาสั้นๆเขาจะตระหนักว่าทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน เด็กๆของพระเจ้าทุกคนเริ่มที่จะรวมตัวกันระนั้นพวกเขาก็ยังมีความเป็นตัวของตัวเองมีบุคลิกที่หลากหลายแตกต่างเราทุกคนเริ่มรวมตัวกันจนกว่าจะสอดประสานกันได้และผลที่ตามมาก็คือเราอยู่ในสภาวะสันติมีความเงียบสงบกลมเกลียวที่นี่จะเป็นที่ที่ทุกคนสามารถได้รับสิ่งที่เขาหรือเธอสนใจอย่างที่สมควรเป็น บางคนรู้สึกร้อนรนอยากทำงานต่างๆแต่บางคนก็ไม่ผมชอบที่จะได้เขียนหนังสือต่อไปเพราะการเขียนคือชีวิตของผมผลจากความพยายามของคุณเบ็ตตี้กรีนเอ่ยถูกนำไปแสดงเป็นละครหลายต่อหลายครั้งใช่ๆเรื่องนี้ผมรู้มันเป็นส่วนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดในหน้าที่การงานของผมคุณวาวคะคุณเคย เขาขัดก่อนที่เธอจะถามจบผมพบว่ามันช่างซับซ้อนละเอียดอ่อนมากในการพูดคุยกับคุณมันน่าขัดใจเหมือนกับผมไม่อาจทำให้จิตใจปลอดโปร่งใสได้ตลอดเวลามีเรื่องขัดข้องต่างๆแต่ไม่ต้องสงสัยจริงๆแล้วผมควรปรับตัวว่าไปแล้วคุณอยากถามอะไรผมนะฉันคาดว่าเธอถามต่อทุกคนเสียใจเวลาพวกเขาตายไป คุณเสียใจหรือรู้สึกว่ามีอะไรที่คุณยังไม่ได้ทาขณะอยู่บนโลกนี้ไหมคะความเสียใจอันดับแรกของผมก็คือผมไม่ได้อยู่ในพบของคุณอีกต่อไปอย่างนั้นเหรอคะใช่สิผมยังปรารถนาอยู่นะผมยังอยากเขียนหนังสือต่อไปผมยังต้องการกลับไปอยู่ในที่เดิมของผมมันน่าแปลกเวลาที่เรามองดูสังคมมนุษย์ไม่ใช่ว่าผมจะเป็นคนนอกสังคมหรอกนะ แต่ผมมีแนวโน้มที่จะสรุปว่าผมสามารถลำลึกถึงจุดเก่าๆตำแหน่งเดิมๆในโลกได้แต่นั่นก็นานมาแล้วตั้งแต่ผมเปลี่ยนไปในพบนั้นคุณพบเบอร์นาดชอหรือเปล่าคะผมพบชอใช่แน่นอนคนอะไรอย่างนั้นมีบุคลิกที่โดดเด่นเป็นพิเศษฉลาดหัวใจถ้าเออผมไม่ควรพูดในสิ่งเหล่านี้นะผมควรจะพัฒนาบ้าง พบของคุณเป็นไงคะฉั้นที่คุณอยู่น่ะคุณบอกเล่าให้เราฟังได้ไหมคะคุณหมายถึงภาพรวมเหรอใช่ค่ะอย่างโรงละครหรือสิ่งต่างๆเหล่านั้นคุณมีโรงละครใช่ไหมคะคุณยังเขียนบทละครในพบนั้นหรือเปล่าโทษคนเคยเขียนเขาก็ต้องเขียนต่อไปโลกของเราในบางสำนึกไม่ต้องสงสัยเลยคุณคงได้ยินมาว่ามันคล้ายกับโลกของคุณมาก เรามีบรรยากาศทุกอย่างซึ่งคุณคุ้นเคยแต่สวยกว่าคุณก็รู้อยู่แล้วที่นี่เป็นธรรมชาติแต่ไม่มีสิ่งรำคาญใจอย่างสัตว์ที่จะมารบกวนเราน่ะไม่มีไม่มีมมมแมลงวันหมัดเห็บทุกอย่างในธรรมชาติที่เป็นตัวรำคาญสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนจะหายไปเรามีเพียงความสวยงามจากธรรมชาติโดยปราศจากสัตว์รบกวนอารมณ์ไม่มีพวกมแมลงวันงี่เง้าอีกต่อไป อาคารต่างๆในพบของคุณเป็นยังไงบูดถามมีอาคารทุกประเภทแต่ในชั้นบรรยากาศที่ผมมาอาศัยอยู่ทุกอย่างสง่างามโกหรูมีเมืองเล็กเมืองใหญ่และใช่คุณเรียกมันว่าเมืองใหญ่และเราบอกไม่ได้หรอกว่ามีคนอยู่สักกี่พันและมีบ้านเรือนของตัวเองแค่แตกต่างกันและบ้างก็เหมือนกันในยุคเก่าๆแต่คุณไม่มีรถหรือยานพาหนะอะไรพวกนั้นใช่ไหม ไม่ขอบคุณพระเจ้าที่เราไม่มีเครื่องจักรเครื่องยนต์พวกนั้นเรามีมา้าสัตว์ต่างๆสัตว์เลี้ยงมีความหมายกับมนุษย์มากและมนุษยชาติก็ให้ความหมายแก่มันสัตว์ต่างๆใกล้เคียงกับมนุษย์มากโชคไม่ดีที่บ่อยครั้งมนุษย์บนโลกนี้ก็ทำตัวได้ใกล้เคียงกับสัตว์บางครั้งผมคิดว่าสัตว์ต่างๆได้รับการฝึกฝนมามากกว่ามนุษย์อย่างน้อย พวกมันก็ทาตามสัญชตาตญาณธรรมชาติและผลที่ได้ก็คือพวกมันไม่ค่อยทำอะไรที่ผิดพลาดมนุษย์ตกอยู่ในปัญหาที่ยุ่งยากเสมอเพราะบ่อยครั้งพวกเขาพยายามค้นหาตัวตนที่แท้จริงของตัวเองคนควรได้รับอนุญาตให้เป็นตัวของตัวเองเพราะเพียงสิ่งนั้นจะช่วยเขาพัฒนาตัวเองได้วูดดึงเขากลับมาทำหน้าที่ให้ข้อมูลด้วยการถาม คุณมีบ้านของคุณเองที่ใช้เป็นที่เขียนหนังสือหรือเปล่าอ๋อมีสิบ้านหลังสวยบ้านที่อยู่ในหัวใจของผมแต่ก็อีกนั่นแหละในสำนึกหนึ่งผมว่าต้องใช่เพราะผมสร้างสารรค์มันขึ้นมาเองปราศจากการรับรู้ผมกำลังสร้างมันตั้งแต่ก่อนผมมาอยู่ที่นี่สร้างด้วยความคิดของผมความคิดที่ดีกว่ามีสวนไหมใช่ผมมีสวนในกว้างนะักแต่ก็โอเค ผมไม่ใช่คนที่ใช้ชีวิตอยู่กลางแจ้งผมนิยมธรรมชาติแต่ก็ชอบเฝ้ามองธรรมชาติอยู่ห่างๆมากกว่าที่จะเข้าไปนั่งใต้แสงแดดอันแผดจ้าบ่อยครั้งที่คนเราจะรับรู้ได้ดีกว่าลึกกว่าถ้าเราถอยออกมาอยู่ห่างๆทันใดนั้นทุกอย่างก็จบลงผมต้องไปแล้วละ่ะเสียงนั้นบอกผมจะมาคุยกับพวกคุณอีกถ้ามาได้เป็นความก ร, รุณาอย่างมากที่คุณมาบูดกล่าว ขอบคุณมากค่ะคุณวายเบ็ตตี้กรีนเสริมดีมากเลยที่ได้คุยกับพวกคุณเสียงนั้นบอกและถ้าบางครั้งผมแสดงอาการฉุนเฉียวออกมาเมื่อครู่ผมทำลงไปก็เพื่อประโยชน์ของพวกคุณในฐานะที่มันอาจอยู่ในมาสแห่งการช่วยเหลือผู้อื่นเพราะถ้าผมไม่แสดงสภาพเก่าๆของผมออกมาคนจะบอกว่านั่นเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของพวกคุณผมจึงทาเช่นนั้น และคุยถึงสิ่งต่างๆที่คุณอยากให้ผมพูดถึง